ทรงประชุมสง์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุชัพพะคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอแสวงหาภาอาบน้ำฝนก่อนบ้างทานุ่งก่อนบ้างเมื่อภาอาบน้ำฝนเก่าคร่าคร่าไปแล้วได้เปลือยกายอาบน้าฝนจริงหรือพวกภิกษุชพคีทวนรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า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 แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้